ก็คงจะคิดถึงกันไม่รู้ใครคิดถึงใครมากกว่ากันเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันทุกวันหายไปแต่ไม่ได้หายไปไหนหรอกหายไปประชุมงานต่างประเทศแต่ก็เลยถือโอกาสปิดเทอมแทนที่จะปิดตอนหมดภาค จะเลยแถมมาได้สี่วัน <c oughs> วันนี้มีเรื่องแปลกขึ้นมาเรื่องหนึ่งเรื่องแปลกอันนี้พูดไม่ออกบอกไม่ได้ <c oughs> เก็บเอาไว้กันแล้วกันพูด <c oughs> <c oughs> <ph os> แต่เพียงว่ามันแปลก แปลเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบที่ว่าพูดออกมาก็ไม่ได้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรามาคิดถึงว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเรื่องอะไรที่จะต้องมาเป็นเจ้าอาวาส น่าจะให้เลขาเนี่ยเป็นเจ้าวาด <laughs> แล้วก็อะไรอะไรก็ต้องเจ้าวาดทั้งนั้นเอ้าตั้งเชื่อมีรูปขึ้นมาตั้งเชื่อเจ้าวาดหาเลิกแต่งงานเจ้าวาด <laughs> ยกบ้านใหม่จะวาดเน้นทะเลาะกันจะวาดเดี๋ยวก็นิมนต์ไปโน่นอา้าวทีนี้มันเกิดลืมอืมลืมยังไงก็หมายความว่าเข้ามานิมนต์วันนี้แล้วเราก็ลืมบันทึก เรื่องมันพอลืมบันทึกแล้วก็ลืมบอกเรียขาบันทึกมีคนมาในมนต์ใหม่อีกลักอีกและทีนี้พอถึงวันเข้าไม่รู้จะไปที่ไหนทีนี้ <c oughs> อันนี้ก็มีก็เป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นชาววัดก็ต้องเป็นอย่างนี้อทีนี้ เป็นเจ้าอาวาสมากี่วัดแล้วเป็นเจ้าอาวาสมาสิบเก้าวัดทั้งสิบเก้าวัดนี่เป็นเจ้าอาวาสมาหมดสิบเก้าวัดแต่ว่าในที่สุดก็มาอยู่ที่วัดธรรมงคลที <c oughs> นี้พอรับภาระมากเข้า เวลาที่จะตั้งใจเอาเรื่องของสมาธิออกมาเปิดเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าแต่เดียวอันนั้นเข้ามาเดี๋ยวนี้เข้ามาก็คิดไปเรื่อยอ้าวเวลานี้มันจะหกโมงแล้วจะต้องสอนแล้วกว่าจะที่จะกลับใจได้มันก็ลำบากเพราะว่าหลวงพ่อนี่ก็เปรียบเหมือนเรือลำใหญ่อะ่ะ เวลาจะหันกลับนี่มันต้องใช้เวลาไม่เหมือนเรือลำเล็กหันกลับเดียวกลับได้ไอเราเรือลำใหญ่มนหันลำบากพอหันลาบากคุณกลายเป็นอะไรรู้ไหมก็ เ, เรียกว่าอารมค้าง mm hmm. <c oughs> ทีนี้พออารมค้างแล้วทีนี้มาบรรยายอะไรต่ออะไรมันก็ค้างไปหมดแต่จะรู้สึกไม่ว่า เวลาที่หลวงพ่อมาบรรยายมาตลอดตั้งแต่ต้นมาถึงวันนี้อะมีวันไหนบ้างที่หลวงพ่ออารมค้างหรือว่าดีทุกวัน <c oughs> เพราะอะไรจึงไม่ค้างเพราะว่าหลวงพ่อมีอาทิสมันกายไว้ เวลาเราคุยก็บใครเราก็ไปพักที่ทิศมันกายแล้วล่ะปากล้าก็คุยไปเรื่อยๆบางทีก็ามาเห็นหลวงพ่อเพราะว่าอ้าวหลวงพ่อทำไมพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าใจมันไปอยู่ที่ทิศมันกายแล้วอีกอันหนึ่งไม่รู้พูดอะไรเงี้ย เมื่อตอนที่หลวงพ่อไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้เราพูดกันสเปะสปะไปหน่อยกันแล้วกันเพราะว่าคิดว่าคงจะต้องงดการถามตอบสวัรค์หนึ่งคุยเปิดอกให้นักศึกษาสวรรค์กันเลยเรียกกว่าผ่าอืา <c oughs> คือว่า เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระหนุม่มอายุยังไม่มากอายุเดี๋ยวนี้เขาเรียกเขาจะว่าคนแก่เนี่ยเขาไม่ค่อยว่าหรอกเขาว่าคนนี้โอ้คนอายุมาก อ, อ่คนอายุมากก็ว่าคนแก่เนี่ยไม่ดีอ๋อคนอายุคนมีอายุมาแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบห้า ยี่สิบห้านี่กําลังแข็งแรงเป็นยังไงก็เป็นกันไม่ว่าทีนี้ยอมเขาว่าเป็นไงก็เป็นกันก็สู้กันสิ อ, อ่าสู้แบบไหนอ้าวสู้แบบโยมนั่งฟังหลวงพ่อเป็นคนเท่อ่าเท่ตั้งแต่หัวค่าถึงแจ้งเลยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงหกโมงเช้ายมไหวไหมไหวอ่าไหวแล้วยอมทําไงยอมทั้งหมดมันมีอยู่ เออสิบแปดคนทั้งหมดสิบแปดคนเขาก็แบ่งเป็นสามชุดสามชุดก็ชุดหนึ่งนั่งฟังเหนื่อยแล้วถอยชุดสองเข้าฟังเหนื่อยแล้วถอยชุดสามก็ฟังหลวงพ่อเทศคนเดียวอ่าทีนี้พอเวลาเทศไปนี่แปลกนะพอเทศไปได้สักตีหนึ่ง หลวงพ่อก็เข้าอาทิตย์สมานกายไตย่ภูเขาสบาบไปเลยเที่ยวเลยโอ้เที่ยวไปตั้งนานลืมไปพอลืมไปแล้วก็กลับมาถามยอมนั่งยอมยอ ม, ยมเมื่อตะเกี้นี่หลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศไหมได้ยินได้ยินขนาดไหนค่อยไปหน่อยไ อ, อ, อ, อตอนนั้นอะหมายความว่าหลับไปแล้ว ที่สมานกายไปเที่ยวแล้วแต่ว่าปากยังพูดได้นะ่าก็ยังรู้เรื่อง <c oughs> ก็มีคนคนหนึ่งเขาก็ได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อว่าเทศเก่งวันนี้ต้องไปฟังให้ได้เชียอเขาก็ไปนั่งตั้งแต่ทุ่มนึงเขาไปแอบนั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ด้วยไปนั่งพอเสร็จแล้วได้สัก วันนี้ยังไงซะก็คงไม่ถึงชั่วโมงหน้าเทศเห็นั้นได้สองชั่วโมงยังไม่จบโอ้ไม่ไหวแน่เขาก็กลับไปตื่นเช้าขึ้นมาพขาก็มาบอกบอกว่าแมหมไอเทศแบบไม่มีคัมภีร์เนี่ยมัน ม, มีมีทางจบเลยว่าไอแบบมีคัมภีร์ยังพลิกไปพิไพไพไกไปหองเคือบแล้วไอนี่แบบนี้ไม่มีจบเลยอนะอุตริไปฟังไอ ว, วันเทศตลอดแจ้งด้วย เรื่องของเรื่องไปอย่างนั้น <c oughs> อันนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆอันนี้พอมาอทีหลังต่อมาเนี่ยอายุมากคือมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราไปเทศอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเทศเนี่ใครว่าไม่ใช้กําลังเวลาพูดนี่มันต้องใช้กําลังถ้าไม่แน่จริงอย่างนี้มันพูดไปไม่ได้ตลอดสิบชั่วโมงอย่างนี้ <c oughs> ก็เพื่อไม่ให้เราต้องเสียหลักการในข้อสีนี้วันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังเลยว่ามาถึงเรื่องของสมาธิก็คือมาถึงเรื่องการวัดผลในข้อที่สี่นี้คือการวัดผลอันนี้การวัดผลนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่ ถ้าหาว่าไม่มีการวัดผลเนี่อคนเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเรียนชั้นปไหนมไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องถามว่านี่ได้ปริญญาหรือยังคนนี้จบมหกหรือยังคนนี้จบปถหรือยังอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้คือการวัดผลทางนั้นอันนี้วัดผลโดยตัวหนังสือ เพราะว่าเรียนไปก็เขียนไปเรียนไปก็เขียนไปก็วัดผลกันด้วยตัวหนังสือทีนี้พอมาถึงเรื่องการทําสมาธิเราจะมาวัดผลกันบ้างห่ือทีนี้ทีนี้เราไม่มีตัวหนังสือนี่เพราะว่าจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เราจะไปวัดผลกันตรงไหนในที่นี้หลวงพ่อก็เอาแบบ เรียกว่าแบบที่เขาเรียนเป็นชั้นเป็นปฐมหกแล้วก็มัธยมหกไปเลยก็จะพูดถึงดูไปถึงว่าขั้นตอนหกขั้นไปเลยในระหว่างความเป็นสมาธินั้นแม้เราจะเรียกว่าคณิกาก็กินใจความกวาม้างอาจจะเปรียบเหมือนชั้นปฐม ก็ต้องมีหกขั้นที่เขากาหนดกันไว้เราฟังให้ดีนะว่าไอสมาธิขั้นแรกๆเนี่ยมันจะมีอยู่หกขั้นด้วยกันหกขั้นก็คือหนึ่งขั้นบริกรรมอย่างเราเนึกพุทธโธพุทธโธนี่ก็เรียกกันว่าขั้นหนึ่งเพียงขนาที่บริกรรมคือจับคำบริกรรมได้จิตเป็นสมาธิแล้ว นี่ขั้นต้นเรียกว่าชั้นที่หนึ่งอันนี้คงจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะทุกคนก็มาถึงเขาบริกรรมได้แล้วแล้วทีนี้มาถึงขั้นที่สองหลังจากบริกรรมคือความสบายอันนี้เมื่อเมื่อบริกรรมไปแล้วเนี่ยอารมณ์มันก็ค่อยหดตัวเข้าคือขั้นแรกที่เราบริกรรมเนี่ยอารมณ์มัน ย, ยังอยู่เต็มร้อยอนน พอบริกรรมไปบริกรรมไปเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันจะแพ้มันจะแพ้คําบริกรรมเมื่อแพ้คําบริกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะออารมณ์ก็ค่อยลดระดับเมื่ออารมณ์ค่อยลดระดับลงไปได้ระยะเนี่ยมันก็จะเกิดความสบายการลดระดับของ อ, อารมณ์นั้นอนะ่ะลดระดับเท่าไหร่จิตเราถึงจะสบาย ในที่นี้ก ำ, ำหนดไว้ว่าลด ร, ระดับไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตคือลดระดับไปได้ครึ่งหนึ่งจิตเราจะสบายทันทเออีเมื่อบริกรรมไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันจะมีอารมณ์ร้อยเปอร์เซ็นตพอบริกรรมไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะลดลงไปห้าสิบเราสังเกตได้ถ้าลดลงไปห้าสิบแล้วมันจะเกิดความสบายขึ้นมาล่ะ เพราฉะนั้นบางคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะพอเวลามันจิตเป็นสมาธิแล้วมันหมายถึงนึกถึงคิดเวลานั้นทำไมมันยังคิดอยู่แต่ว่าแม้ว่ามันจะคิดอยู่แต่มันสบายตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าลดระดับไปห้าสิบคืออารมณ์ต่างๆมันลดระดับไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเหลือระดับ หนึ่งระดับนั่นก็เป็นระดับที่ความนึกคิดเหมือนกันเราก็นึกคิดเหมือน ก, นกันกับที่เราเคยนึกคิดนะึแต่ว่าการนึกคิดอันนี้มันไม่เหมือนกันกับที่เราเคยนึกคิดว่าพอคิดไปแล้วมันเอทําให้เกิดความวุ่นวายแต่ว่าไอความนึกคิดอันนี้มันไม่ค่อยจะวุ่นวายนับสามารถจะดึงกลับมาได้อันนี้เขาเรียกว่าลดระดับไปขั้น ทีนี้เมื่อมันลดดับลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วเนี่ยมันก็จะเตรียมเข้ารวังเออเป็นความจริงเนี่ยอารมณ์ที่อาการเข้ารวังนี่ไม่ใช่ว่ามันดับร้อยเปอร์เซ็นตนะอารมณ์เครียงเลยไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์นี่มันจะดับไปเพียงแค่ห้าสิเอร์ซ็นตเท่านั้นแหละแล้วมันเตรียมแล้วที่จะเข้ารวังนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ตัวนี้มันถึงค้างค้างอยู่ ไปฝันบ้างไปอะไรบ้าง อ, อ, อ, อะไรต่ออะไรในระยะที่เราหลับเพราะฉะนั้นจึงมีว่าเมื่อเวลาจิตเข้าผวังไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้เวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยนะพอเวลาเราเข้าผวังไปแล้วเนี่ยมันยังจะต้องตามนึกอยู่ได้มันยังมีความนึกความคิดกระจุกกระจิกมันก็มี ทั้งทั้งที่จิตนั่นละ่ะได้เข้าผวังไปแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขั้นที่สามที่มันเข้าผวังไปเนี่ยไอผวังนี่มันอาจจะอยู่สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวบางทีมันเข้าไปอยู่นานแล้วมันถึงค่อยรู้สึกตัวอันนี้มันสุดแล้วแต่สุดแล้วแต่ไอไอการที่ ขั้นต้นนะขั้นที่มันละอารมณ์เนี่ยมันอาจจะละไปเจ็ดสิบเอร์เซ็นตอย่างนี้มันแทนที่จะเป็นห้าสิบมันเข้าไปถึงเจ็ดสิบแล้วมันก็เข้าผ้ววางไปอันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอย่างี้หรือว่าบางทีมันก็อารมณ์หายไปแปดสิเปอร์เซนแล้วมันจะเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ให้เข้าใจเลยว่า อารมณ์ไม่ได้หมดไปทั้งร้อยอารมณ์จะต้องค้างอยู่ในใจของเราแม้ว่ามันจะสงบเข้าไปแค่ไหนเราต้องเข้าใจงั้นว่าอารมณ์ไม่ได้หมดไปทั้งสิ้นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> หลังจากบริกรรมจิตเข้าผวางมันเ้าเรียกว่าขั้นสามทีนี้พอขั้นสี่เนี่ยการเข้าพวางแล้วเห็นสิ่งต่างๆตลอดถึงมีความลึกซึ้ง การเข้าผวังเนี่ยแล้วมันไปเห็นภาพพอเวลาเข้าผวังแล้วมันเกิดไปเห็นภาพบ้างเห็นแสงบ้างนี่อะไรตอนนั้มันจะเชื่อมเดินก็ไปในป่าในดมงกรสุดแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นถือว่าคนนั้นเขาก่อนที่จิตจะเข้าผวังเนี่ย ได้ขจัดอารมณ์ไปเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็เขาจะไปเกิดอ น, นันต์ขึ้นเกิดมิตรเกิดเห็นเกิดอะไรต อ, อะไรต่างๆพอเกิดแล้วเดี๋ยวก็จิตถอนกลับออกมาก็เหมือนปกติแล้วทีนี้ระวังทำไมบอกว่าเข้าภาวงพอมาถึงที่สี่เข้าภาวง เข้าผวังที่การ น, นี้ยอ่ผวังมันนี้คือเราเราสังเกตได้เวลาเรานั่งสมาธินี่นะเมื่อนั่งไปแล้วมันเข้าแคตเกีเ่ยวแคตเดี่ยวแล้วมันถอนขึ้นอบางทีเราพอบริกรรมพุทโธไปพอมันเข้าผวังแป๊บแป๊บเดียวหรือ บางทีถูกเสียงอะไรกระทบจั๊กก็ อ, อย่างเงี้ยกระดอนออกเลยอย่างเนี้ยอันนั้นมันอยู่ทันที่ละอารมณ์ห้าสิบเปอร์เซนต์ถูกอะไรไม่ได้เอ้อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ได้ไม่นานทีนี้ต่อมาเนี่ยมันจะนานเข้าก็เพราะอารมณ์ที่ก่อนจะเข้าผวังเนี่ยอารมณ์ถูกขจัดไปแปดสิบเปอร์เซนแล้วทีนี้เอ่อ คนจะไอจะจามแล้วคนจะอะไรเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่อย่างคนที่เข้าราะวงังธรรมดาที่ละอารมณ์ห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่นะพอใครจามพับอย่างงี้กระโดดเพงเลยม่ตกกระจไปเลยอย่างเงี้ยถอนเลยอันนั้นคือว่าก่อนแต่ที่จะลงไปเนี่ยอารมณ์มันถูกขจัดไปแค่ห้าสิ แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ถูกกระจัดไปถึงแปดสิบนี่จามก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะบางทีแอบไปเกาสิข้ามี่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอต่อไปนี่ <c oughs> เมื่อมาถึงขั้นที่ห้า้นที่ห้าเนี่ยเราต้องหมายถึงว่ า, าคนทําสมาธิที่เข้าพวังเนี่ย นับร้อยหรือกว่านั้นคือเข้าผวังจากการทำสมาธิเนี่ยนับร้อยคือเข้าแล้วเขาจนกระทั่งไอการเข้าผวังเนี่ยมันเหมือนกันกันกบ เ, เรารับประทานอาหารอย่างเงี้ยมันชำนานมากจับเข้าปากเจียวเข้าปากเจียวเข้าปาก มันเหมือนกันกับว่าไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเราก็ทำได้เหมือนกับเขียนหนังสือเหมือนกั น, น, ม น, ม น, กนไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องการอะไรก็เขียนไปเลยอันนี้หมายถึงความชนานาญความชำนาญระวังเนี่ยชนานาญในขั้นในขั้นที่ว่า เ, เข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกชำนาญมาก เราพอกันอย่างนี้กันแล้วกันแต่เมื่อมันชำนานอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะในพระวังเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้หมายความว่า เ, เมื่อเราไปเห็นต้นไม้เราก็จะรู้ว่าต้นไม้นี่คือต้นไซแล้วรู้ว่าต้นไซนี่มันอยู่ที่ไหนและเราอยากจะนั่งใต้ต้นไซนี่เราก็เดินไปนั่งได้ อะไรอย่างนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวได้ในผวางการเคลื่อนไหวในพวังได้การเคลื่อนไหวในผวงาไววงได้นี่อาศัยความจำนาญถึงอย่างนั้นก็ตามอารมณ์ไม่ได้หมดไปร้อยเปอร์ซน์อารมณ์ก็ยังอยู่แต่อาศัยความํำนานเข้าไปบ่อยเข้า แต่การที่ทำนานในในพวังเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาได้สัมผัสกับอาทิต์สมานกายด้วยความรู้สึกตัวด้วยความรู้สึกว่าเวลานี้ เ, เราสามารถที่จ ะ, เ, ะเดินได้นั่งได้แก่ก้าวเข้าไปก็เรียกว่าคุยได้อะไรอย่างนี้เป็นตน้น เหมือนอย่างก็คนที่เขาถามปัญหาเมื่อวานเนี่ยบอกว่ามีคนคนหนึ่งเข้าชานเก่กล้าแล้วก็ถอดใจเนี่ยเอาไปคุยกับหลวงปู่แหวนอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าระดับที่มีความแน่วแน่จริงจริงแล้วก็ชำนาญในรวังจริงจริงเนี่ย ไปได้อย่างที่จะอย่างที่คนที่ถามวานี่ยไปได้แต่ว่าการที่ไปนั่นอ่อต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ากิริยาของการไปมันจะต้องมีการกำหนดสมมติว่าคนที่เขาทำสมาธินั่นอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็หลวงปู่แหวนอยู่ที่เชียงใหม่ ระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่แปดร้อย800กิโลอย่างนี้และทีนี้คนที่สามารถที่จะมาํำนานจริงๆในพวังเนี่ยเขาจ ะ, ะกำหนดการที่ว่าเขาจะไปคุยกับหลวงปู่แว น, นและในขณะนั้น หลวงปู่แหวนทำอะไรอยู่ไอ้คนที่อยู่ที่นี่มันก็จะต้องไปรู้อีกแล้วว่าหลวงปู่แหวนนอนหลับหรือเปล่าและหลวงปู่แหวนกำลังทำงานหรือเปล่าและหลวงปู่แหวนอยู่ในอาทิตย์สมายหรือไม่อย่างนี้ทางนี้เนี่ยจะรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้คุยไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้ก็คุยไม่ได้ แต่การที่จะไปรู้ว่าหลวงปู่แหวนนั่งหรือหลวงปู่แหวนนอนหรือหลวงปู่แหวน ก, กําลังฉันอย่างเนี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่ายานเขาเรียกว่าตาทิศเขาเรียกว่ายานชนิดเนี่ยานชนิดนี้ต้องมีแต่ยานชนิดนี้ต้องเกิดจากจุดพลังอานาจถ้าไม่มีจุดพลังอานาจแล้วเนี่ยถึงยังไงเสีย เขาก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่แอนทำอะไรอยู่ที่นั่นทีนี้จูจ่ๆก็จะถอดใจไปคุยตอนท่านฉันข้าวมันก็ไม่ได้ผิดอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามในการที่จะทำเช่นนั้นเนี่ยมันมีน้อยเรียวกว่าการที่จะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ย ก็จะต้องมีเรียกว่ามีน้อยมากที่จะทําได้อันนี้อธิบายเกินไปแล้วเอาถึงว่าอามาขั้นที่หกมาขั้นที่หกเนี่ยพอขั้นที่หกแล้วนี่มันจะเกิดกระแสคําว่ากระแสเนี่ยมันก็เหมือนกระแสไฟอย่างเงี้ยมันจะเกิดกระแส แต่กระแสนี่ไม่ใช่นิมิตถ้าเป็นนิมิตไม่ใช่กระแส น, นี่เราลองสังเกต ด, ดูอย่างนี้ว่าออสมมุติว่าเรานั่งสมาธิไปเห็นแสงเราเห็นแสงอย่างเนี้ยแสงไปยัไงแสงแดงแสงเขียวแสงขาวอะไรว่ากันไปอันนั้นนิมิตไม่ใช่กระแสอหรือว่า เรานั่งไปเห็นรูปนั้นรูปนี้อะไรอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่กระแสอันนั้นเป็นนิมิตไม่ใช่กระแสเพราะฉะนั้นใครจะเห็นอะไรก็ตามเห็นกายก็ตาไม่เห็นรูปเห็นกระดูกก็ตามเห็นต้นไม้ก็ตามเห็ น, ทนเทวดาก็ตามเห็นแสงเกียวแดงอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามในสมาธิไม่ใช่กระแส แต่ว่าเป็นนิมิตกระแสกับ น, นิมิตต่างกันท <c oughs> ีนี้ว่าเป็นกระแสเนี่ยมันจะไม่เป็นแสงอย่างนั้นไม่เป็นแสงทั้งทั้งหลายทั้งปวงกระแสของจิตนี้คื อ, อสิ่งที่ไม่ใช่ว่าพุ่งไปเหมือนลําไปอย่างนี้นะฮะบางคนเพลิดไปมัมือลังเทียนไปอย่างเนี้ย เ, เป็นช่อง อย่างที่เข้าเพ่อะไรเงี้ยออกไปเป็นทางออกไปอย่างเงี้ยมันนิมิตมันไม่ใช่นไม่ใช่กระแสะถ้ากระแสะแล้วจับไม่มีเราพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นกระแสะแล้วก็เรียกว่าอาวัากาศคือจะเป็นอาววะากาศคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่แยก อันนี้ก็พูดพูดออกมาแล้วแต่อยากจะพูดให้มันชัดเจนเช่อนอย่างว่า อ, อย่างนี้คนที่เดินขบวนเนี่ยมีจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นจำนวนแสนอย่างนี้ทีนี้เขาเรียกว่ากระแสะมีกระแสกระแสอะไรกระแสการเรียกร้อง และกระแสนั่นเป็นสีอะไรสีแดงไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่แล้วกระแสนั่นมันมีพลังขนาดไหนมีพลังมากแต่มันไม่ใช่แสงแต่เราลองสังเกตดูว่าถ้าหากว่าคนจำนวนแสนเดินขบวนอ่ามันจะเกิดกระแสเรียกว่ากระแสต่อต้านสูงมากแล้วกระแสนั่นมันอยู่ที่ตัวคน หรือว่ามันอยู่ที่ตรงไหนมันไม่อยู่แต่ว่ามันจะเป็นอาวาัตกาศอันนั้นไออวากาศอันนี้ยทีนี้เช่นอย่างเขาเดินขบวนเนี่ยไปถึงนายคนหนึ่งนายคนนั้นจะเป็นรัฐมนตรีก่อ็รัฐมนตรีขออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นอธิบดีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้รับแรงกดกัน จากกระแสนี่เป็นอย่างยิ่งเรียกว่าหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวจําเป็นต้องยอมหรือว่าอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เราถ้าหากว่า อ, อจะพูดไปแล้วเนี่ยกระแสอันเนี้ยมันมีรูปร่างเป็นยังไงทุกคนไม่มีแต่ว่ามันมีแ ร, รงแต่มันไม่มีรูปร่างมันจึงเป็นอวกาศจิตของเราที่เกิดกระแสแล้ว มันคืออะไรกระแสเดียวเช่นอย่างจิตของเราเนี่ยมีกระแสเดียวแต่ว่าพลังอันนี้จกมหาศาลถ้าหาว่ารวมเขา้าพลังจิต น, นี้มากเขา้ามันเป็นพลังมหาศาลยิ่งกว่าแสนคนแต่มันเป็นพลังคืออาวากาภิระะั้นอย่างคนที่ว่าเราจะแข่งเพื่อที่จะให้รักษาโรคคนสักคนหนึ่ง อย่างเนี้ยอันเนี้ก็ต้องเป็นกระแสกระแสที่มันจะไปจากจิตทีนี้ถ้าหากว่าจะเพ่งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรมันเป็นนิมิตมันมันไม่ใช่กระแสเพ่งไปก็ไม่หายทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอาวากาศไปมันจะเป็นพลังออกไปอย่างนี้พลังนี้มันจะไม่มีลักษณะเป็นสีสัน แต่เป็นพลังอันนี้นี่จะไม่อธิบายมากอธิบายเพียงเท่านี้เพื่อให้รู้รู้ทางว่ากะระแสคืออะไรพอมาถึงกะระแสนี่เาเรียกว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในระยะที่ว่าจิตมีกำลังมากอันนี้เรียกว่าขันขันปฐมต่อไป หมายถึงการเข้าพวังจนมีการกําหนดได้ว่าจิตก่อนจะลงพวังเป็นอย่างไรพร้อมทั้งเห็นชัดเจนขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้อธิบายย่อไวทีนี้มาถึงอุปจาระสมาธิในความชำนาญในพวังเนี่ยได้ปรากฏขึ้นแล้วก็กลายเป็นชั้นที่หนึ่งของอุปจาระทีนี้พอเข้า พอเข้าผวังไปแล้วนี่มันไม่มืดเหมือนคนธรรมดาอย่างเงี้ยไปอยู่ในผวังก็มีกระแสเพราะว่ากระแสมีแล้วเนี่ยกระแสก็กลายเป็นแสงสว่างกระแสเนี่ยกลายเป็นแสกลายเป็นแสงสว่างแต่ว่าแสงสว่างอันนี้เป็นแสงสว่างที่มีคือว่าเกิดความชัดเจนเกิดความ เราพูดง่ายๆว่าในพวังนะั้นเกิดความชัดเจนขึ้นเป็นไปเป็นส่วนที่สเป็นขั้นและขั้นต่อมา เ, เป็นเอขั้นขเขย่อมขั้นสว่างทีนี้ขั้นที่สามความมีกระแสไอ้กระแสเนี่ยต้องมีแน่แล้วก็เป็นกระแสดังที่ว่าแล้วคือมันเป็นจุดอวังคกาศอนนั่นเอง แต่ว่ามันมีพลังในตัวต่อไปก็คือเ อ, อมาถึงชั้นที่สี่ทีทีนี้ก็ไม่กระเทือนแล้วทีนี้ฟ้าลองก็ไม่กระเทือนแต่คนไอคนจามเฉยเเพราะฉะนั้นอ่ะหลวงพ่อก็คอยว่าเขาเลยอ่ะนั่งสมาธิถ้าไอก็เอาไปนั่งนอนสิ น, น้า คนอื่นเขาจะแย่แต่ทีนี้ผู้ที่นั่งก็อยากจะนั่งอยู่ข้างในอยากจะนั่งร่วมกันนก็ไม่อยากออกแต่มันก็ดีอ่ะมันจะได้รู้ว่าเรามาอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นที่สี่ของอุปจาระถ้าใครมาถึงขั้นที่สี่ของอุปจาระโอ้ยไอ่ก็ไอไปเถอะเชิญไอ้เยอะ เราไม่ว่ากันแหนเป็นอย่างนั้นซะเพราะว่ามันเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีใครไอก็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดไอ้ซะนี่เรายังไม่ถึงแหน่ไม่น่าไอเลยกําลังจะดีทะแท้ๆ <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> ก็เพราะว่าเรายังมาไม่อุปจารย์ชั้นนี้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่า เรายังอยู่กันีนกาเรืายัองอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถึง อ, อ, อุปจาระขั้นที่สีเนี่ยไอยไม่กระเทือนคว้าร้องไม่กระเทือนแต่ว่าถ้ามดตะน้อยต่อย <c oughs> อันนี้กระเทือนแน่ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่ามตะน่อยมันมีพิษอย่างแมงป่องอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างตะขาบอย่างเงี้ยมันมีพิษพอเวลามันต่อยพับเนี่ยจะเข้าไปหาประสาทพอเข้าไปหาประสาทพับเนี่ยไอ้ประสาทนะรับเนี่ยมันจะเข้าสู่ใจพอเข้าสู่ใจแล้วมันจะอยู่ยังไงก็ตามกระเทือนแลละที่นี่ยังไงเสียก็ต้องกระเทือน <c oughs> แต่ว่า โดนมากคณก็ไม่ค่อยต่อยอ่ะเพราะว่าคนจะไปนั่งสมาธิคุณก็ต้องกวาดที่กวาดอะไรให้ดีซะก่อนแต่ว่ายัางไงซะขึ้นดอยอินทนอนท์น่ะใครระวังเพราะว่าหมดมันเยอะอยอมก็ชอบนะนะักศึษาเอาขนมบ้างเอาอะไรบ้างใสก่กระเป๋าไปอย่างเงี้ย มอดมาได้กินมันก็มาซิเลือกมันอ่ ะ, อะยังไม่รู้ริษมดดอยอินทนนท์นะแม่อย่าบอกใครมันมาทีนึงเนะ่เกือบหามคนอนะ่ะนั่นเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเอาอาหารไปมันมีกลิ่นหน่อยๆ อ, อย่างเงี้ยโอ้ยมันมันเดินกันเป็นแถวเลยอ่าไปหาหลวงพ่อต้องบอกว่าอย่ า, อาไปเลย วันสามวันก็คงกดไม่เป็นไรารอบไม่ใช่วันนี้เขาไม่มีังตอบไงหลวงพ่อจะเปิดพรอก <S 2> <S 2> <S 2> ทเน่พอมาถึงขั้นห้าขั้นห้านี่เขาจะรู้นะว่าผู้รู้มันอยู่ตรงไห น, น อันนี้ก็คงไม่อธิบายมากเพราะว่าใครเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะสว่างโจ้ขึ้นมาแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วพอถึงตรงนี้พับเนี่ยข้อที่หกจะตามมา ท, าทันทีถึงจุดพลังอำนาจอันนี้ถือว่า เ, เราอยู่ในขั้นรูปประชานถ้าพูดกันว่าอย่างชันชานอย่างเนี้ย ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานมันมีอยู่สี่ขั้น้วยกับฌานจะอยู่แค่อรูปปัจานอย่างเนี้ย <c oughs> ทีนี้เราว่าสมาธิสูงขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิมีอยู่หกขั้นคืออัปปนาสมาธิเนี่มันเป็นเรื่องของ อ, อรูปปัจาน พอเข้าก็หมดความรู้สึกกันเลยอย่างเนี้ยไปนั่งสมาธิอยู่ตรงข้างถานนรถวิ่งก็ไม่รู้สึกเนี่ยใครๆอยไปเชี่ยนั่งมากง่ายเพิ่มเพิมันเลี้ยวมาชนก็ยุ่ใหญ่ <c oughs> ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นอปปนาสมาธินะเข้าทีเดียวก็หมดความรู้สึกเพราะฉะนั้นเออ คนที่ได้อปปนาสมาธินี่พอนั่งสมาธิพับเข้าเข้าพับหายไปเลยเรียกว่าลมให้จงให้ใจไม่รู้สึกกันละ่ะเข้าสู่อาทิสมานกายเรียกว่านอนเนื่องไปเลยแล้วขยายตัวในนั้นขยายตัวในอาทิสมานกายนั่นน่ะเมื่อขยายตัวแล้วก็กลับมาเป็นขั้นที่สอง มีตาทิพย์เกิดขึ้นตาทิพย์เกิดขึ้นเนี่ยตาทิพย์เนี่ยก็คือตาของอธิศมัน์กายนั่นเองทีนี้สำหรับที่จะเป็นตาทิพย์เนี่ยอยู่ที่จุดพลังอำนาจเนี่ยเขาจะไม่ทาจิตให้เข้ามาหาอัปปนาเขาจะทําจิตให้อยู่แค่อุปจาระแล้วเขาก็ เอาจิตเนี่ยเข้ามาอยู่ในอาทิสมานกายได้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาถึงจะทํฤทธิ์ได้เขาถึงจะรักษาโรคได้เขาถึงจะดูใจคนหรือว่ า, ารู้อนาคตได้อะไรทำาทิ์ต่างๆเนี่ยเขาจะมาอยู่ในในชั้นหงของอุปจาระ้ามาถึงหัปัาแล้วทำไม่ได้ ถึงมีตาทิพย์ก็ทำไม่ได้ต้องถอนจิตมาอยู่ที่ชั้นหกนี่แต่ยังไงก็ตามเมื่อเขาเดินมาถึงชั้นสองเขาก็จะมีตาทิพย์เห็นแต่เขาทำอะไรไม่ได้ได้แต่เห็นเช่นอย่างเห็นว่าเราเกิดชาติโน้นเราเกิดชาตินี้ไรเนด้แต่เห็นแต่ทำอะไรไม่ได้หรือว่าไปเห็นว่า รัตเลียมันออกแปดเก้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นพูดผิดไปเชื่อว่าในเมื่อเวลาที่เนมันเกิดตาทิพขึ้นมานี่เอ่อ ถ้าอยู่ในอรูปฌานคืออยู่ในอปปนาสมาธิเนี่ยใจะทำอะไรไม่ได้เห็นก็เห็นเฉยๆทำอะไรไม่ได้แต่ก็เป็นตาทิพย์มองได้ทะลุบุบโปงเหมือนกันเอาแค่นี้ก่อนว่าเมื่อมาถึงอาการดำเนินในพระวังนี่พอเวลาที่เขาเข้าฌานไปแล้วเนี่ย เขาจะเล่นเขาเรียกว่าเล่น เ, เล่นชานหรือเรียกพูดอีกนายหนึ่งว่าอะไรเนี่ยเกี่ยวกับชานอยู่ในชานหมายความว่า เ, เล่นโดยมากเขาชอบพูดเล่นเล่นชานเพราะว่าเล่นชานี่หมายความว่าเ อ, อเขาจะอยู่ด้วยความสบาย นั่งนอนด้วยความสบายแล้วก็ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอันนี้คือพระวังในพระวังของอัปปนาสมาธิอรูปฌานทีนี้มาถึงขั้นสี่การอยู่ด้วยความปกติในฌานได้ตามกำหนดเมื่อเขามาบรรลุอัปปนาขั้นสี่เนี่ย ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเขาอยากจะนั่งตั้งแต่นี้ถึงตลอดแจ้งโน no p r o b เล m ไม่มีปัญหาจะนั่งสามวันก็ไม่มีปัญหาหลวงพ่อเคยลองทดลองว่ามันนั่งสามวันเนี่ยมันจะตายไหมเมื่อตอนเป็นเนนก็นั่งสมาธิไปหนึ่งวันแล้วเราว่าจะนั่งสามวันแหละ ข อ, อนั่งไปได้หนึ่งวันเข้าวันที่สองอาจารย์มาตามแล้วไม่ไปล้างบาท <c oughs> <c oughs> ทิ้งข้อวัดผมกำลังสมาธิสมาธิอะไรไปทำอย่างนั้นมันหลงแล้วกแสดงว่าพระอาจารย์โดยมากท่านไม่ค่อยจะายสนับสนุน เวลาที่จะเข้าฌ า, านนานๆนี่ถ้าไม่ค่อยสนับสนุนท่านก็รู้อยู่ว่าเรากาลังทาสมาธิกาลังเข้าฌานแต่ถ้าไม่สนับสนุนเราก็ต้องเลิกที <c oughs> นี้เมื่อมาถึงขั้นห้าเราจะไม่รู้สึกไอ้กายเราเนี่ยเจิบก็ไม่เจ็บทําอะไรก็ไม่เจ็บไม่รู้เรื่อง คือหมายความว่าไม่รู้เรื่องแล้วแข็งเด่เลยตัวแข็งเด่เลยทีนี้อันนี้คืออปปนาขั้นสี่หรือเรียกว่าอารุปรชาติขั้นขั้นห้าขั้นห้าคือรุปรชาติเพราะฉะนั้นขั้นหกคือสุดท้ายเขาจะอยู่ในขว้วอาวัตการอย่างที่หลวงพ่อว่าเมื่อกี้เนี่ย ใครจะอยู่ในกระแสของจิตคําว่ากระแสของจิตนั่นน่ะเอจิตที่จะเข้าไปอยู่ในกระแสของจิตได้นั้นต้องจิตต้องมีอํานาจสูงอย่างว่าอานาจสูงสุดเมื่อมีอํานาจสูงสุดจึงจะไปอยู่ในขั้นออวกาศได้คือหมายความว่าในที่นั่นก็เป็นสุญญากาศในทั้งหมดเนี่ยปัญหานเนี่ย เป็นอารูปฌานเนี่ยอันนี้ว่าไว้เฉยๆนะถ้าใครอยากจะทำก็อันนี้ไม่ห้ามเพราะว่าไม่ต้องไปล้างบาทรไม่มีใครใช้อย่างหลวงพ่อต้องไปล้างบาทจะเข้าอยู่หลายวันท่านไม่เข้าแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราอยากจะไปอยู่กี่วันได้ทั้งหมดอันนี้ เออสําหรับกระแสเนี่ยที่เรียกว่กระแสจิตเนี่ยการธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะอยู่นานไม่ได้เวลาเราใช้เนี่ยเราใช้เป็นจังหวะเช่นอย่างคนที่เกิดกระแสจิตแล้วนี่ต้องการจะใช้เนี่ยเขาใช้เฉพาะจังหวะแล้วก็หยุดใช้แต่ว่าถ้าเป็นอัปนาสมาธิขั้นหกเนี่ย เขาจะอยู่ได้ตลอดเลยอยู่ในกระแสอันนี้ไปได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องถอนอย่างเงี้ยอยู่ไปได้ <c oughs> อ, อาการกิริยาความเป็นต่างๆย่อมปรากฏนับเป็นการกิริยานั้นมีจำนวนมากอย่างไรก็ตามแม้จะมีความรู้สึกในความเป็นไปในจิต ขณะเกิดสมาธิก็ต้องอยู่ในจำนวนของหกชั้นหมายความว่ า, าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนาการทำสมาธินี่จะนอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้มันก็จะมีอยู่เท่านี้ในระยะขณะกะหกอุปจาร6หกปัญหาหกลักษณะอันนี้ลักษณะอันนี้นั้น เราจะต้องรู้ขึ้นมาที่ตัวเราเองว่าเราอยู่ในลักษณะไหนเพราะว่าลักษณะอันนี้แสดงไว้ชัดเจนว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นเขาได้ชั้นวัตถม1ิหนึ่งถึงวัตถหกเขาก็กำหนดเอาขั้นนั้นนั้นแต่ตัวหนังสือหลักสูตรวิชาการมีมากแม้จะมีมากเท่าไรก็อยู่ในชั้นประถมนนหกนั่นเอง ขะอนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าไอ้กิริยาเนี่ยมันจะบางทีตัวพองบางทีตบเขวบางทีหอลอยบางทีเป็นอะก็สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่จะเป็นแต่ว่าอยู่ในจำนวนที่อกอหไว้อย่างนี้ตามชั้นต่างๆมันจะมีอยู่ในทีดีเท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนี้ ดังนั้นขั้นตอนของการวัดผลสมาธิก็เช่นกันจําเป็นต้องแบ่งขั้นตอนไว้เพื่อกําหนดจํากัดระยะเป็นแนวทางเท่านั้นจะมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างในตนของตนเองพร้อมทั้งกัิญาณมิตรครูบาอาจารย์ที่จะแนะนําเพิ่มเติมความจริงอันนี้ก็อธิบายไปนี้ก็คงจะเอาไปอ่ า, าเองเข้าใจเองได้เพราะว่า ได้อธิบายมาในขั้นตอนเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งแล้วะฉะนั้นการเรียนเนี่ยการเรียนทุกชั้นตั้งแต่ขั้นต่ำถึงสูงสุดจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์สอนทุกชั้นจึงจะชื่อว่าเรียนเพราะครูคือบุคคลที่เป็นกัญยาณามิตรที่ดีที่สุด ในการศึกษาทุกๆระดับชั้นเนื่องจากวิชาความรู้นั้นมีข้อผิดย่อยมากครูอาจารย์สามารถจะหาข้อผิดย่อยต่างๆนํามาให้เป็นข้อแนะนํทาทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้มีระดับก ว, าวา้างขวางยิ่งขึ้นทําไมเราเรียนโดยไม่มีครูไม่ได้หรือนี่เป็นคําถามย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าทุกสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอยู่อีกมากมายนะถ้าไม่มีครูเป็นกริยานมิตรแล้วจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งทักษะเสียทั้งประสบการณ์ในกรณีที่ไม่ควรจะต้องเสีย <c oughs> สำหรับการสอนสมาธิก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์เป็นกริยานมิตรที่มีความสาคัญมากเนื่องจากการทำสมาธิเป็นนามธรรมด้วย แล้วก็ยังยิ่งมีข้อแปรปลีกย่อยมากมายแม้ว่าจะต้องเรียนเสียเวลาให้กับการเรียนเราจําเป็นจะต้องยอมรับเช่นเมื่อจิตไม่สงบเพราะอะไรจิตสงบเพราะอะไรจิตสงบแล้วจะทําอย่างไรความสงบนั้นจะทํายังไงกับความสงบเหล่านั้นเป็นต้นจึงควรแล้วที่จะต้องทราบขั้นตอนให้มีความเย็บแจ้ง ในที่นี้ควรหาทางไต่ถามในอาการกิริยาต่างๆก็จะได้รับคำตอบตัดความสงสัยเป็ น, นระยะๆขั้นต้นด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องอาศัยกิริยานามิตโดยตลอดแม้ตัวของเราเองในอนาคตก็จะกลับกลายไปเป็นกิริยานามิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น การที่เราได้มาเรียนและได้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายกาย ก, กองวันนี้ก็ให้มันเป็นพิเศษไปก็ได้กันล ะ, ละคงระรังไม่ต้องฟังอ ะ, อะไรก็ได้แต่ว่า จะพูดต่อไปอีกถึงการที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นสองอย่างที่ถูกหลวงพ่อถูกทดลองไปแล้วในที่สุดก็กลายเป็นพอสอทหารคนสนิทหมายความว่าเป็นอุปถัมภ์พอเป็นอุปถัมภ์เราก็ต้องรู้ว่าท่านต้องการอะไร อ๋อรู้แล้วท่านตองการชันผักทีนี้เวลาชันผักนี่ท่านก็ให้หลวงพ่อเป็นคนหัน่นหลวงพ่อเน่ะเคยเป็นพ่อครัวมาแล้วเพราะฉะนั้นหั่นผักนี่ไม่ต้องห่วงมีดไม่บาดมือแน่เพราะว่าเราเอาเล็บกันไว้ฮ่หั่นแช่แช่แข่แหั่นผักถวายท่าน ทุกวันทุกวันแล้วก็หั่นอย่างละเอียดด้วยนล้คิดว่าไอ้หั่นผักละเอียดละเอียดเนี่ยมันไม่อร่อยนะมันต้องหยับหยากวันนั้นคิดได้ยังไงไม่รู้หั่นผักพวกนี่ อ, อการแดงแล้วหันสีทีมันก็ยาวอมคลีนถวายนี่อะไรผักท แกหันแล้วเหรอหันแล้วตะเขาก็ น, นั่งกินเต็มเออวิริยังเอออะไรเนอะวัดเชี่ยวกว่าหมาวัดงาก่าช้างก็เ ข, า, ขาด่าหลวงพ่อคิอว่าเรายังหนุ่มเนี่ยเชี่ยวเรามันดีออ เราก็อยากให้ท่านอร่อยด้วยความหวานดีนะแต่ท่านก็เลยเอออวดเขี้ยกว่าหมาอวดงากว่าช้างเขาเปรียบว่ามันเหมือนสัตว์เดรัจฉานว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันอวดเขี้ยวเวลาหมาจะกัดใครเนี่ยแงงงงงนี่มันอวดเขี้ยวอย่างเงี้ยเวลาที่ช้างจะไปไหนเนี่ยงามออกมาก่อนเลยแสดงว่า แม้แต่หันผักท่านก็นยังสอนนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ต่อมาร้องพ่อก็ไปดูเดินไปที่ส่วมไอ้ต้นหญ้านี่มันขึ้นรอบส่วมเลยต้นหญ้าขึ้นรอบ่วมวันนั้นท่านก็ไปไปแล้วท่านก็เรียกมาถามว่า อะไรจะมันขึ้นรอบซุ้มไม่เห็นมันมีอะไรอะไรมันขึ้นที่รอบซุ้มมันก็ไม่มีอะไรครับาจาใจ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คิดถึงตอนองน้นหยาดนั่นเพราะไอ้ต้นไม้มันข ส, สูงสูงสับสองสอ ง, ส อ, ง, ส อ, งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดเพราะว่าตอนอ้นหยาดนดูมันก็สวยๆดีอร์ท่านเคยมานี่ แกรู้ไหมว่านั่นน่ะมันไปกวาดตาดไม่ได้กวาดตาดไม่ได้มันก็เป็นนาบัดส้วมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นส้วมหลุมแต่สะอาดคนไปนั่นได้เนีย่ยก็เลยต้องไปเอาโยมมาถากย้าวคือตามธรรมดาตอนเย็นนี่ต้องกวาดหนึ่งกวาดกุฏิท่านสอง กวาดอที่อาบน้ำสามกวาดส้วมสามอย่างนี้ต้องกวาดทุ ก, กวันพ อ, อบ่ายสามมองกันให้กวาดไปกวาดแล้วทีนี้เราก็ไปกวาดเนี่ยในส่วมเราก็ไม่ค่อยไปกวาดสิเรื่องนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีกลิ่นนะเพราะว่าส้วมรลุมนีม่หนอนยุ่ยยับเราก็ไม่ไปกวาดก็เพราะไม่ไปกวาดยาติมาถึงขึ้นนี่ แสดงว่าแกเนี่ยขาดกวาดไปเท่าไหร่เนี่ยจนยากเติบโตขึ้นขั้นนี้อ่ะท่านะเรียบละมาหมดเลยนี่ให้รู้ไว้ว่าวิริยังเนี่ยมันขี้เกียจขนาดไหน <laughs> <laughs> ขนาดยากขึ้นรอบซ่วมเ <laughs> น, นี่ยอตั้งา่ถากวาทุกวัาวานนะ่ยยากจะไม่ขึ้นเรื่องของเรื่อง ก็มีอยู่วันนึ่งท่านก็นมานั่งเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เราไปอยู่เชียงใหม่นะตอนที่เราไปอยู่เชียงใหม่อ่ะมีหลวงตาอยู่สีองค์สามหรือสี่กันนี้คงลืมๆไปหน่อยบอกว่าติดตามหลวงปู่มั่นมาสามปี ไปทางนั้นอ่งนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เกิดนีไปทางนั้นไม่เจอวันนั้นไปถึงพอดีพอไปถึงขับไปถึงก็ไปกราบท่านผมติดตามหลวงปู่มาสามปีพยายามอยากจะมาปฏิบัติด้วยเออดีเรืงนั้นดีมาปฏิบัติพอดีเสร็จแล้วมานั่งปฏิบัติอยู่ได้อาทิตษนึง พอตอนเย็นมาสามสี่หลวงตาเขาก็ไปไปชุมกันนั่งแล้วคุยเอฟเมียกูไม่รู้อยู่หรือเปล่าว่าก็แล้วก็ลูกสาวไม่รู้ว่ามันแต่งงานหรือยังคนนั้นบอกว่าน่ากลัวเมียไปแต่งงานใหม่ก็ไม่รู้ว่านะก็คุยกันไปใจเรื่องอย่างเงี้ยตลอดจนกระทั่ง แหมถ้าหากว่ามันจะเอาใหม่จริงๆกูก็ต้องสึกต้องไปแน่ละว่าไงคิดด้วยกอว่าคุยกันไปพอตอนเย็นมาท่านเรียบพระมาประชุมหมดเรียบร้อยนี่ร้องตาจะมาทำสมาธิที่นี่ใช่ไหมบอกว่าใช่นั่งสมาธิหรือเปล่าบอกว่านั่งแค่นั่งแล้วกำหนดจิตยังไ ง, งกาพุธโธ จิตมันรวมไหมรวมครับเพราะว่ามันเออจิต้องแกนรวม อ, อกคงยคิดถึงเมียกันนะเซ้ไอคนนี้คิดถึงเมียว่าเมียจะไปมีใหม่คนนี้คิดถึงลูกสาวลูกสาวมันจะไปติดตามผู้ชายคนนี้คิดท่านก็ไล่มาหมดสี่คนอันนี้ยกมือปนมกับสันตายแน่ตายแน่แนเรา เราทัา้งประเทศเดียวกันใหญ่ไอ้เวลานั้นที่เวลาอยู่น่นนะไอ้อยู่กลางป่าลึกเลย่อยป่าเสืออยู่ใงดงน่ะสีองค์ก็บอกว่านัดกันเสร็จเก็บป่บาเก็บมุงได้เดินหนีเที่ยงคืนเลยเราอยู่นี่คงจะคิดมาก่านี้เห็นจะแย่อาจารย์ตามทุกลมหายใจพอเสร็จแล้วก็ยกมือคนละข้าง อรหังอรหังพุทโธไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้